มว่วานนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะได้เกิดความเพียรกับการปฏิบัติธรรมความเพียรก็อยู่ในกลุ่มของอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ถ้าเรามีฉันทะวิริยะก็จะตามมาจิตตะวิมังสาก็จะตามมาฉันทะแปลว่าอะไรฉันทะแปลว่าความชอบความยินดีกับการปฏิบัติธรรมแล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้เกิดฉันทะขึ้นมาได้ การที่จะเกิดชันทะขึ้นมาได้ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมนั่นเองถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากความชอบความยินดีขึ้นมาพอเราเกิดความชอบความยินดีเราก็จะ มีความเพียรกระทำในสิ่งที่เราชอบสังเกตดูถ้าเราชอบทำอะไรเรารู้สึกว่าทำมันง่ายถ้าเราไม่ชอบทำอะไรแล้วเราต้องทำมันจะยากเช่นเราชอบอะไรเราชอบเที่ยวกันเที่ยวกันหามรุ่งหามคำ่ำเราก็ทำกันได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเราไม่ชอบอะไร เราไม่ชอบทำงานทำการกันเวลาจะทำงานกันรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมาก่อนเสียแล้วนี่ก็ อ, อยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบจะทำให้เกิดวิริยะหรือไม่มีวิริยะการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินทั้งเหตุทั้งผลของการปฏิบัติเราจะรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเราจะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐที่ผู้แสดงได้รับสัมผัสมาแล้วเช่นถ้าฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าฟังธรรมกับพระอรหันตสาวกฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาฟังแล้วจะเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดความอยากที่จะปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนครูบาจารย์อย่างหลวงปู่หลวงตาใ้ท่านให้ความสำคัญกับการแสดงธรรมอบรมสั่งสอนพระเนนอย่างสม่าเสมอเพราะทุกครั้งที่พระเนรได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาาจารย์จะทำให้เกิดมีกำลังใจ หลวงตาท่านก็ได้รับอนุสวงได้เห็นคุณประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมจากหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านแสดงธรรมแล้วพอหลังจากได้ฟังแล้วก็เกิดวิริยะขึ้นมากลับไปที่พักแทนที่จะพักผ่อนหลับนอนกับอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งสมาธิ บางทั้งก็ทำบระจนถึงสว่างเลยเพราะอยากจะได้ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัตินั่นเองหลวงตาท่านก็จะอบรมพระเองที่อยู่กับท่านในช่วงที่ท่านแข็งแรงที่ท่านไม่มีภารกิจกับญาติโยมทุกสี่ห้าวันท่านจะเรียกพระมาอบรมกันสักครั้งหนึ่งพอฟังแล้วก็ จะมีกำลังจิตกำลังใจกลับไปที่พักก็ไปเดินจงกรมต่อไปนั่งสมาธิก็ต่อถ้าปกติถ้าไม่ได้ฟังทำพอรู้สึกจะง่วงนอนก็จะหยุดจะไม่ได้ทำความเพียรต้องการจะนอนเสียมากกว่าบางทีก็เกิดความเกลียดค้านถึงเวลาที่ควรจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ นี่คือวิธีที่จะทําให้เราเกิดความเพียรขึ้นมาคือเราควรจะฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะท่านจะแสดงเหตุคือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเช่นสมาธิจะเป็นอย่างไร ปัญญาที่ได้เจริญแล้วจะทำให้ตัดกิเลสตัดตัณหาได้อย่างไรพอเราได้ยินได้ฟังรายละเอียดเราก็สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้พอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลตามที่ท่านแสดงไว้ยิ่งได้เห็นผลแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดวิริยะความภาคเพียรขึ้นมา เพิ่มขึ้นไปอีงจนไม่ต้องไปฟังเทศฟังธรรมก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้มีวิริยะเพราะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราได้รับผลแล้วเราเห็นผลเห็นคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วเราก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปนี่เลยความเพียรก็จะมีมากขึ้นไป แต่กระทั่งบางครั้งบางคราวนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็มีเพราะปฏิบัติแล้วมันเห็นกิเลสตัณหาข่าศึกศัตรูล้มตายไปที่ละตัวสองตัวจิตใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับนี่คือความสำคัญของการฟังเทศฟังธรรม ที่พระพุทธเจ้าสงสัยว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกาลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่แหละมงคลก็คือจะเกิดกำลังใจขึ้นมาจะเกิดความอยากเกิดอิทธิบาสีขึ้นมาอิทธิบาสีนี่แหละเป็นธรรมที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ผลต่างๆเกิดขึ้นมาได้อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาศก็คือทางอิทธิบาทก็คือทางสู่ความยิ่งใหญ่หรือทางสู่ความสําเร็จนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่จะไม่สามารถทําให้ทําสิ่ง ต่างๆให้สำเร็จได้เช่นเรียนหนังสือถ้าไม่มีอิทธิบาทีก็จะเรียนไม่จบกันเด็กที่เรียนหนังสือไม่จบก็เพราะว่าขาดอิทธิบาทีไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาร่ำเรียนพอไม่เห็นคุณค่าก็ไม่อยากจะเรียนพอไม่อยากจะเรียนก็ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันที่จะไป เรียนหนังสือถ้าไปก็ไปบางทีไม่ถึงโรงเรียนไปแล้วก็ทะเลทลายไปแวะตามศูนย์การค้าหรือตามร้านเกมต่างๆเพราะจิตใจไม่ใฝ่ศึกษาไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาจึงไม่ชอบเรียนไม่อยากเรียนไม่มีความเพียรที่จะเรียน เรียนแล้วก็ต้องถูกโรงเรียนเขาให้ลาออกไปเพราะสอบไม่ผ่านนั่นเองนี่คือตัวอย่างของการที่ไม่มีอิทธิบาทสีเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเร่มเรียนถ้า เห็นคุณค่าเห็นว่าถ้าเรียนหนังสือแล้วจะได้รับปริญญาจะได้มีวุฒิในการที่จะไปสมัครทำงานเมื่อได้ทำงานก็จะมีรายได้ดีมีรายได้ก็จะได้เอาไปซื้อสิ่งต่างๆมาบำบัดความทุกข์และบำรงความสุขให้แก่ชีวิต ดังนั้นในการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่และอิทธิบาทสี่ประการแรกก็คือฉันทะที่จะเกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเช่นสินค้าต่างๆนี้เขาก็มีการโฆษณาถ้าไม่มีการโฆษณาคนก็จะไม่รู้จักสินค้าว่าสินค้าชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรคนก็ไม่อยากจะซื้อแต่พอมีการทำการตลาด มีการโฆษณาสินค้าในรูปแบบต่างๆพอผู้ที่ได้พบได้เห็นการโฆษณาก็จะเกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้นดังนั้นเวลาที่เราจะค้าขายอะไรนี้มักจะต้องมีการโฆษณากันเพื่อที่ผู้ซื้อจะได้รู้สินค้าของเรา รู้ว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรพอเขาเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับเขาเขาก็จะอยากได้แล้วเขาก็จะมีความเพียรที่จะเดินทางไปหาสินค้าที่เขาได้พบเห็นในโฆษณานี่แหละคือการที่จะ ทำให้เกิดความเพียรขึ้นมาได้ก็คือต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงคุณภาพคุณสมบัติของสิ่งที่เราจะเอามาครอบครองเป็นของเราถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นอย่างไรผลก็คือเราจะได้บรรลุมัคซีผลสีนิพพานหนึ่งมัคซีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ก็คือขั้นบันไดสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นกันไปเป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็ขั้นของพระโสดาบันขั้นที่สองก็ขั้นของพระสกิดาข้ามี ขั้นที่สามก็ของพระอนาคามีขั้นที่สี่ก็ขั้นของพระอาหารหันต์ในแต่ละขั้นความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับขั้นแรกก็จะน้อยลงไปหนึ่งในสี่ขั้นที่สองก็จะน้อยลงไปตามตามสัสดส่วนของการปฏิบัติพอถึงขั้นที่สามก็จะ ลดลงไปเหลือสองในสี่คือลดไปครึ่งหนึ่งพระอนาคามีนี้จะตัดสังโยชน์<ม>เบื้องต่ำได้ห้าประการด้วยกันคือสักกายทิฏฐิวิจิติิชารีลพัตตาระมาส ก, กามาราคะและปฏิฆา นี่คือสังโยชน์หรือกิเลสที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจสังโยชน์ทั้งห้าประการนี้เกี่ยวข้องกับความหลงของใจที่ไปยึดติดกับร่างกายร่างกายนี้เป็นไม่ใช่ตัวเราของเราตามความเป็นจริงแต่สังโยชน์คือสักกายทิฏฐิจะหลอก จิตให้ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเกิดเห็นความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความยึดติดในร่างกายอยากจะให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่นี่เป็นความหลงเพราะไม่ได้ตรงกับความจริงนั่นเองความจริงของร่างกายพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะเราฟังเทศฟังธรรมกันมาตลอดเวลาเราก็ได้ยินเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกันตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ถึงใจท่านั้นเองรู้ถึงสัญญาคือความจำเท่านั้น ซึ่งเป็นความจำที่เสื่อมได้สัญญานอนิจจารเราทุกครั้งที่เราได้ยินได้ฟังว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราไม่ได้ฟังทำเราก็ลืมทันทีเราก็กลับมาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทันที เรียกว่ายัางไม่ได้เป็นความจริงในใจของเราเพราะเรายังไม่ได้เอาความจริงนี้เข้าสู่ใจเราเพียงแต่รับรู้ที่สัญญาคือความจาเท่านั้นที่จางหายไปได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวลาเราฟังธรรมแล้วให้เราเอามาเจริญต่อ เอามาพิจารณาต่อเอามาคิดต่อเพราะนี่จะเป็นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ลืมนั่นเองถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันในแต่ละเวลาว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระอ น, นุ์ทรงถามพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์ วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งกันพระนรานทนก็บอกว่าสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเป็นต้นเพราะพะพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าการระลึกเพียงแค่นี้ยังถือว่าเป็นการตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่า ความรู้ที่ได้ราลึกรู้เพียงวันละสี่ห้าครั้งนี้จะไม่มีกําลังพอที่จะไปทำลายส ก, กายาัทิฐิทาลายความหลงได้ถ้าอยากจะทาลายส ก, กายาัทิฐิทาลายความหลงอนนุนเธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเธอหายใจเข้าไปก็ให้พิจารณาว่า ถ้าไม่หายใจออกมาร่างกายนี้ก็ต้องตายถ้าหายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปร่างกายนี้ก็ต้องตายให้พิจารณาอย่างนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนมันฝังเข้าไปในใจการที่จะสามารถพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องจิตต้องมั่นคงต้องตั้งมั่นต้องเป็นสมาธิ เพราะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตลอยไปลอยมาเดี๋ยวอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาก็จะไหลตามไปเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธเดี๋ยวพอมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเราก็ไปตามเรื่องนั้นไปพอเรื่องลูกเข้ามาก็ตามไปเรื่องสามีเข้ามาก็ตามไปเรื่องงานเรื่องการ เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแทนที่เราจะเกาะติดอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการบริกรรมพุโทโธใจเราก็ไหลไปตามเรื่องที่มันเข้ามาแทรกอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิใจของเราตั้งไม่ตั้งมัน่นถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วเราก็จะไม่สามารถพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟัง ได้พิจารณาได้เพียงแค่แวบดสองวับเดี๋ยวเรื่องนั้นเข้ามาก็าไปพิจารณาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ต่อไปนี่แหละเป็นเหตุว่าทำไมผู้ที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าจิตมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นจิตจะสักแต่ว่าเราจะไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามา จิตจะตั้งอยู่ในปัจจุบันจะอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้จิตตั้งอยู่ให้อยู่กับพุทธโธก็จะอยู่กับพุทธโธให้อยู่กับการพิจารณาความตายก็จะอยู่กับการพิจารณาความตายการที่เราจะตัดส ก, กายักทิฏฐินี้ได้เราต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดทั้งสองประการด้วยกันคือ อนิจังความไม่เที่ยงคือร่างกายนี้ต้องมีการเสือ่อมมีการดับไปมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาวิธีที่จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็ต้องศึกษาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ เวลาเราไปดูภาพยนตร์เขาก็จะมีการฉายเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นขึ้นมาจนไปถึงจุดสิ้นสุดภาพยนตร์จบร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราสามารถติดตามดูได้ตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนจบตอนต้นของร่างกายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเระร่างกายก็ต้องมีพ่อมีแม่ มีพ่อมีแม่มีเชื้อของพ่อของแม่มาผสมรวมกันเชื้อของพ่อหยดหนึ่งเชื้อของแม่หยดหนึ่งสมัยนี้เขาสามารถผสมกันได้ไม่อยู่ข้างนอกทันก็ยังผสมกันได้ผสมในห้องทดลองในเครื่องในเครื่องมือที่เขาเตรียมจัดเอาไว้พอสวนเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมตัวกัน ตัวร่างกายก็จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาตัวเซลล์นี้ก็จะขยายตัวออกไปจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหกแล้วตัวเซลล์เหล่านี้แหละเป็นตัวที่ไปสร้างอวัยวะต่างๆอาการสาสิบสองของร่างกายขึ้นมาด้วยการสนับสนุนของอาหารที่ผ่านมาทาง สายเลือดของมารดาอาหารเนี่ยที่มารดารับประทานเข้าไปก็จะแบ่งไปให้กับทารกที่อยู่ในคันเพื่อที่ทารกจะได้สร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างหนังสร้างเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยื่อในสมองศีษะนน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการสาสิบสองเพราะที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายอาการทั้งสาสิบสองนี้มีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างลองถามดูตัวเราอยู่ตรงเชื้อของพ่อหรืออยู่เชื้อของแม่ ตอนที่พ่อกับแม่จะมาพบกันเราอยู่ที่ไหนนี่นคือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาแล้วเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเราไม่มีส่วนอะไรอยู่ในร่างกายนี้เลยร่างกายนี้เป็นเรื่องของเชื้อของพ่อของขอ ง, ของแม่กับอาหารของแม่ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงไปก่อร่างสร้างอาการ32นี้เท่านั้ น, นซึ่ง อาหารก็ามาจากดินน้ำลมไฟดีๆนี่เองน้มที่แม่ดื่มเข้าไปลมที่แม่หายใจเข้าไปดินก็คืออาหารหยาบเช่นข้าวผักเหล่านี้ก็ทํามาจากดินพอเข้าไปอยู่ในร่างกายก็ได้รับการอาย่อยอาหารก็ย่อยแปลงแปลงจากอาหารหยาบกลายเป็นอาหารละเอียดเข้าไปในสายเลือด แล้วก็เข้าไปหล่อเลี้ยงให้กับทารกแล้วทารกก็เอามาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝันพอจเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาร่างกายเอคลอดออกมาเราคือใจนี้มาเกี่ยวข้องกับร่างกายตอนไหนตามหลักของพระธรรมคำสอนท่านก็แสดงว่า มาเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เวลาที่มีการผสมเชื้อของพ่อกับของแม่พอเชื้อของพ่อกับของแม่มารวมตัวกันแล้วมีดวงวิญญาณคือใจของเราที่ตายมาจากชาติก่อนใจของเราที่ไม่มีร่างกายเพราะว่าร่างกายอันเก่านั้นมันหมดสภาพไปแล้วอย่างเราร่างกายของเราตอนนี้เวลามันหมดสภาพใจก็ไม่สามารถที่จะ อาศัยร่างกายนี้ได้ใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่นั่นแหละเราชาติก่อนก็เหมือนกันตอนที่เราเสียร่างกายอันเก่าไปเราไม่มีร่างกายที่อยู่อาศัยเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนจะไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็อาจจะต้องไปใช้เวรใช้บาตรใช้กรรมหรือไปรับผลบุญที่เราทำไว้ก่อน พอเราได้รับใช้ผลบาปผลบุญแล้วเราก็จะอยู่ในสถานภาพที่พร้อมที่จะได้ร่างกายอันใหม่พอมีการผสมพันเกิดขึ้นมาแล้วเราอยู่ในภาวะที่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองเชื้อของพ่อของแม่ที่มารวมตัวกันได้ก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาก็จะมีการ เจริเติบโตของของเชื้อนี้ขึ้นมากลายเป็นร่างกายใหม่ขึ้นมานั่นแหละเรามาอยู่ตรงนั้นเรามาร่วมกับร่างกายตรงนั้นแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเหมือนหนึ่งในสามของขององค์ประกอบที่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาองค์ประกอบแรกก็คือของพ่อององค์ประกอบที่สองก็คือของแม่เชื้อของพ่อเชื้อของแม่ แล้วจิตวิญญาณของเราเป็นองค์ประกอบที่สามที่มาครอบครองเชื้อของพ่อของแม่ที่รวมตัวกันแล้วก่อร่างสร้างเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วพอเราคลอดออกมาพอเราลืมตามีความเริ่มรู้สึกตัวเราก็ไปถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเราเป็นร่างกายอันนี้แหละที่ทำให้เรา ยึดติดกับร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆเพราะเรานี้ไม่ตายแต่ร่างกายนี้มันตายแต่เราไม่รู้เราแล้วเราม เ, เราห้ามมันไม่ได้แต่เนื่องจากเราไม่มีคนสอนเราก็เลยอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆาน แต่ถ้าเราศึกษาความจริงของร่างกายพอร่างกายค็ อ, ออกจากท้องแม่มาลักเป็นยังไงก็เริ่มหายใจเองดื่มน้ำเองรับประทานอาหารเองจเจริญเติบโตขึ้นมาเองตามลำดับจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่คนชราเป็นคนเจ็บแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายไป พอตายไปแล้วก็ทำอะไรกับร่างกายถ้าร่างกายปล่อยทิ้งไว้เฉยๆธาตุต่างๆที่ผสมอยู่มันก็จะแยกทางกันเองเช่นน้ามันก็จะไหลออกมาน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงือ่อน้ำาเไยต่างๆที่อยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาไฟมันก็จะหายไปร่างกายที่เคยอบอุ่นก็จะเย็นเฉียบ ลมก็จะระเหยออกมาเป็นกลิ่นที่เราได้ดมกันซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาเพราะเป็นกลิ่นของของสิ่งที่เน่าเหม็นนั่นเองนี่คือสภาพของร่างกายถ้าทิ้งไปนานๆเข้าปล่อยไว้นานๆเข้าน้ำก็จะไหลออกมาหมดส่วนที่เป็นดินก็จะแข็งเช่นหนังก็จะแห้งกรอบ กระดูกต่างๆเอาไว้ว่าต่างๆก็จะแห้งทิ้งไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันก็จะผุแล้วก็จะกลายเป็นดินไปนี่คื อ, อความจริงของร่างกายที่เราต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องจนเห็นชัดเจนว่าไม่มีส่วนไหนของร่างกายเป็นเราเลยเราคือใคร เราคือผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกร่างกายนี้เขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่รู้เขาไม่คิดเรานี่แหละเป็นผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราแต่เราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราแล้ก็ อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี่แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากนี่คืออริยสัจสี่หรือสัจ ธ, ธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่ ทรงพบว่าความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นเกิดจากความอยากของใจเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ให้มีความอยากต้องหยุดความอยากลองสังเกตดูเราก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดเวลาใช่ไหมเวลาที่เราทุกข์นี้ลองสังเกตดูก็จะรู้ว่าต้องเกิดจากความอยากของเราอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ ขณะที่อยากได้ก็เกิดความทุกข์แล้วเช่นอยากจะสอบได้ยังไม่ทันได้สอบเลยก็ทุกข์ไปก่อนนะกลัวจะสอบไม่ได้บางทีเดือดร้อนกับพระสงฆ์องค์เจ้าต้องไปขอพึ่งพระขอพระขอพรวุ่นไปหมดเพราะกลัวจะไม่ได้ความกลัวนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วทุกข์เพราะอะไรเพรความอยากที่จะสอบได้นั่นเอง ถ้าไม่มีความอยากจะสอบได้ก็จะไม่ทุกข์สอบก็สอบไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันคิดแค่นี้ก็จบได้ก็ตายไม่ได้ก็ตายไปคิดแบบนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้น่ะได้มามากได้มาน้อยก็ตายเหมือนกันไม่ได้ก็ตายได้ก็ตายไปทุกข์กับมันทำไมก็หามันไปตามตามเหตุตามผลกันแล้วกัน ถ้าจาเป็นจะต้องหาต้องมีก็หาไปมีไปถ้าหาไม่ได้มีไม่ได้ก็ตายไปก็จบเหมือนกันหามาได้ ม, มีมีได้ก็ตายเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเรถึงความตายแล้วความทุกข์จะไม่ค่อยเกิดเพราะความอยากมันจะถูกทำลายไปเพราะว่าอยากไปก็เท่านั้นอยากแล้วก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ตายไม่ได้เดี๋ยวก็ตายเหมือนกัน นี่แหละคือปัญญาที่เราจะใช้ดับความทุกข์ได้ดับความอยากได้ละสกายะทิฏฐิได้ถ้าเราพิจารณาร่างกายว่าทำยังไงมันก็ตายอยู่ดีให้ดิ้นอย่างไรให้ทำอย่างไรดีขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันแล้วที่มันทุกข์มันไม่ทุกข์เพราะว่าความตายทุกข์เพราะความไม่อยากตาย เราจึงต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะมายืนยันกับจิตใจว่าต้องตายแน่ๆอย่าไปอยากไม่ตายเพราะอยากไม่ตายแล้วจะไปทุกข์ไปเปล่าๆแล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอาการทั้งสาสิบสองวันหลังว่างๆลองเรามาแยกดูเอาหนังเอาผมเอาเล็บเอาฟันแยกมากองๆไว้แล้วถามมัน ผมนี่เป็นเราเหรอเราเราอยู่ตรงไหนขนนี่เป็นเราเหรอเราอยู่ตรงไหนเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นเราเหรอเป็นตัวเราเหรอเราอยู่ตรงไหนมันมีแต่กระดูกมันมีแต่ผมมีแต่ขนมีแต่เล็บตัดเล็บทิ้งไปมันกายไปก็โยนทิ้งไปในดินตัดผมทิ้งไปก็ทิ้งไปในดินมันไม่เห็นมีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยในร่างกายต้องแยกต้องพิจรารณาอย่างนี้มันถึงจะเห็นชัด แล้วเมื่อมันเห็นชัดแล้วมันจะได้รู้ว่าเราก็คือผู้ที่พิจารณาร่างกายนี้ เ, เราเป็นผู้คิดผู้ดูผู้พิจารณาร่างกายนี้เราไม่มีส่วนไหนที่ของในร่างกายนี้ที่เป็นเราเลยเป็นของเราเลยถ้าพิจารณาได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมเวลาที่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ใจมันจะเฉยมันจะไม่ได้เกิดความอยาก พอไม่เกิดความอยากมันก็จะไม่เกิดความทุกข์นะครัพอไม่เกิดความทุกข์มันก็จะหลุดพ้นขั้นของพระโสดาบันก็อยู่ตรงนี้หลุดพ้นจากความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวกลัวแก่เพราะพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงคนดูแลมันเท่านั้นเองเราได้มาได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่ แล้เราก็บริหารจัดการมันเลี้ยงดูมันมาดูแลรักษามันไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะดูแลมันได้มันก็ต้องจากเราไปมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องตายไปแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราจะไปทุกข์กับมันทาไมที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากอยากกับมันอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเท่านั้น พอเราเห็นความจริงแล้วว่าอยากอย่างไรมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยากแล้วก็จะทุกข์ทรมานถ้าไม่อยากแล้วก็จะเย็นจะสบายเนี่ยเวลาที่เรากลัวมากๆกลัวความตายกลัวความเจ็บมากๆแล้วเราตรงได้บอกปล่อยมันไม่ใช่ตัวเรามันร่างกายมันเจ็บเราไม่ได้เจ็บด้วยร่างกายมันตายเราไม่ได้ตายด้วยปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไป ป่อยได้แล้วใจเราจะสงบใจเราจะเย็นแล้วเราจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเราเพราะเราได้ปล่อยมันแล้วเราไม่ได้ไปมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วนี่แหละคือวิธีการละส ก, กายาทิฏิต้องละด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็อนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟหรือเป็นอาการสามสิบสองพิจารณาอย่างนี้ไปไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายไม่ไม่ทั้งของเราและของผู้อื่นร่างกายของพ่อของแม่ก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ในนั้นร่างกายของสามีของภรรยาของลูกก็ไม่มีอยู่ในนั้นตัวของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของลูก มันอยู่ในใจอยู่ในใจของแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกายแต่ละร่างกันดังนั้นเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่มันขาดไปเท่านั้นเองคนที่สวมใส่เสื้อผ้าไม่ได้ตายไปกับเสื้อผ้าใช่ไหมเวลาเราสวมเสื้อผ้าแล้วมันเก่ามันขาดเราทําอะไรกับมันแล้วก็เอาไปเผาทิ้งหรือเอาไปโยนทิ้ทงถังขยะแล้วเราก็หาชุด ใหม่มาใส่แทนก็เท่านั้นเองใจเราก็เหมือนใช้ร่างกายนี้เป็นเสื้อผ้าใช้ร่างกายสวมใส่เพื่อที่เราจะได้เห็นเห็นกันได้เพราะใจเรานี้ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีรูปไม่มีร่างการที่เราจะรู้จักกันได้ก็ต้องมีร่างกายแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นตัวแทนของเราชั่วคราวเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร เราจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นภรรยาแต่ตัวพ่อตัวแม่ตัวสามีตัวภรรยาตัวลูกไม่ได้อยู่ในร่างกาย น, นี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายต่อไปเหมือนกับเราไม่ทุกข์กับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วก็ใส่ไปพอมันใส่ไม่ได้เราก็ทิ้งมันไปท่นั้นเอง นี่คือการเจริญปัญญาจเจริญจะเจริญได้จิตต้องสงบจิตต้องตั้งมั่นไม่ไม่ไมหลไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าไม่สงบแล้วพอมีอะไรมาสัมผัสมาแทะเข้าเดี๋ยวไปเลยพอกลิ่นกาแฟล อ, อยมาก็จะไปแล้ะพอกิ่นพิซซ่าล อ, อยมาก็จะไปแล้ะพอเวลาจะดูละครมามันก็ไปแล้ะมันก็จะไม่สามารถพิจารณา ทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องมันก็มองไม่ได้ชัดอย่างตลอดเวลามองไม่เห็นตลอดเวลาช่วงที่มองไม่เห็นมันก็จะลืมมันก็จะหลงทันทีนถึงต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนมันฝังอยู่ในใจจนมันปล่อยวางได้ถึงจะต้องอยู่พิจารณาถ้ายังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้แสดงว่ายังมองไม่เห็นหอย่างต่อเนื่อง ถ้าปล่อยได้วางได้ก็แสดงว่าเห็นตลอดเวลาแล้วพอปล่อยแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปเพราะมันจะไม่กลับไปยึดไปติดอีกต่อไปเพราะมันเห็นโทษของความยึดติดว่าเป็นการสร้างความทุกข์ความทรมานให้กับใจให้กับตนเองนื่อหละคือการหลุดพ้นถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยจะไม่มีวันที่จะกลับไปมีความทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป นี่ก็ส่วนของพระโสดาบันส่วนของพระสกิดาคามีกับพระอนาคามีก็ต้องมาแก้ที่ความรักในร่างกายของคนอื่นเห็นร่างกายของคนอื่นหน้าดูหน้าชมหน้าสวยสวยงามอยากจะได้ร่วมอยู่กับเขามีความสุขเวลาได้อยู่กับเขาก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของเขาก็ดูส่วนที่อยู่ภายในใต้ผิวหนัง ดูตับไตไส้พุงเวลาเราไปดูก็ผ่าศพ ก, ก็เอาขวัฒท้องออกมาแล้วก็เอาเอาไส้อะไรนาไส้อะไรต่างๆออกมาให้เราดูนั่นแหละเราพยายามเจริญภาพนั้นเอาไว้แล้วเวลาเราคิดถึงคนที่หน้าตาสวยงามก็ลองคิดถึงตับไตไส้พุิของเขาก็ได้โดยจะคิดถึงกอหลกศรีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าเขาก็ได้ หน้าที่สวยๆนี่ข้างใต้ผิวนี่มันมีอะไรต้องลองลองใช้ใช้เอ็กซเรย์ดูก็ได้ไปดูภาพเอ็กซเรย์ที่เขาถ่ายกับกระโหลกศีรษะหน้าตาของคนดูแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราเป็นแต่เห็นแต่ผิวหนังเท่านั้นเองเราก็เลยเกิดความหลงเกิดความลัเกิดความใคล้อยากจะเสกกรมกับเขาถ้าเราเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งาม ข้าหนาะขยะแยงเราก็จะหยุดการมารมได้ถ้าเราหยุดการมารมณได้เราก็จะดับการมาราคะได้การมาราคะที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจที่เราต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็เพราะการมารมนี่แหละอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาโงดกดเกลียดเจ้าซ้อยว้าเหวพอได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับคนรักคนชอบก็มีความสุขขึ้นมา แต่มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจากเราไปอย่างเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งก็มาเล่าว่ามีสามีแต่สามีแอบไปมีอมีแฟนใหม่เพียงถ้ารู้ว่าเขาไปมีแฟนใหม่เท่านี้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีกรรม อารมไม่มีการมาราคะเราก็อยู่คนเดียวไนดะ้ไม่ต้องมีแฟนก็ไม่ต้องมาทุกกับแฟนนี่แหละคือการพิจารณาขั้นของพระส ก, กิดาคามีและพระอนาคามีพระส ก, กิดาคามีก็จะพิจารณาเป็นพักๆเวลาพิจารณาก็ดับการอารมณ์ได้เวลาไม่ได้พิจารณาก็ดับไม่ได้ส่วนพระอนาคามีนี้จะพิจารณาได้ตลอดเวลา สามารถดับการอารมณ์ได้ทุกเวลานาทีจนไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปท่านก็ดูดพ้นจากเรื่องของร่างกายไม่ต้องพิจารณาเรื่องของร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกายทิฐิหรือเรื่องของการมราคะมีปัญญาเห็นชัดแล้วว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะ นี่คือเรื่องของร่างกายที่ผู้พิจารณาผู้ที่เจริญปัญญาจำเป็นจะต้องพิจารณาให้เห็นถ้าเห็นชัดแล้วก็จะปล่อยวางสังโยชน์ทั้งห้าข้อได้ก็จะดับความทุกข์ไป50ปอร์เซนต์ด้วยกันเลืออร์เซก็เป็นความทุกข์ของระดับพระพระ อ, าอารหันต์ผู้ผู้ที่เจริญอรหรันตธรรมผู้ที่ต้องการจะบรรลุเป็นพระอารหันต์ก็คือพระอนาคามี พอท่านเสร็จเรื่องของร่างกายแล้วท่านก็ต้องมาพิจารณาจิตอีกตอบอีกทีหนึ่งเพราะในจิตก็ยังมีสังโยนอีกห้าข้อด้วยกันก็มีรูปราคะอรูปราคะมีอุทธัจฉะมีมานะมีอวิชชาที่ท่านต้องใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดปัญญาก็จะสามารถที่จะ ทำลายสังโยชน์เหล่านี้ให้หมดไปพอหมดไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องพิจารณาอีกแล้วความทุกข์ก็ไม่มีดงเหลืออีกแล้วเพราะต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดคือสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ mm hmm. ก็ได้ถูกทําลายด้วยปัญญาไปหมดงานของการปฏิบัติก็ก็จบสิ้นลงที่ตรงนั้นหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไป ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาถ้าจะนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อเป็นการพักผ่อนจิตใจไปธรรมดาธรรมดาไม่ได้ทาเพื่อที่จะมาดับความทุกข์เพราะไม่มีความทุกข์จะให้ดับไปแล้วจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับคนที่รักษาจนโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วก็ไม่ต้องกินยายต่อไป ถ้าโรคภัยยังไม่หายก็ต้องกินยาต่อไปจนกว่าจนกว่าโรคจะหายถึงจะหยุดยาได้แต่ถ้าโรคหายแล้วกินยาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกินหรือไม่กินก็ผลก็เท่ากันกินไปทำไมอย่างเราเวลาไม่สบายเราก็หายามากินกันพอหายแล้วเรายังกินยากันต่อรืบล่าเราไม่กินแลวเราโยนทิ้งไปละเดี๋วเ ก, ก็บไว้สาหรับโอกาสหน้าเวลาที่ ไม่สบายขึ้นมาใหม่ก็จะได้กินใหม่แต่ความทุกข์นี้เมื่อถูกปัญญาทาลายแล้วจะไม่มีวันฟื้นกลับคืนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นโยนทิง้งทิ้งไปได้มากแปดนี้ไม่ต้องมีก็ได้หลังจากที่ได้ทำลายความทุกข์ไปหมดแล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสติสมาธิปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านถึงพูดไว้ว่าอุสิตาง ร, รมจริยัง กิจในรมาจารย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่มีกิจอื่นจริงกว่านี้ที่จะต้องทําอีกต่อไปนี่แหละคือความประเสริฐเลอโลกของการที่เราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดวิชันทัวิริยะที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่อันเลิศอันวิเศษนี้พอเกิดแล้วพอได้ผลแล้วก็จบเรื่องของความทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะมีอีกแล้ว เรื่องของการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกแล้วเช่นเดียวกันเพราะเชื้อของภพชาติคือความอยา ก, กต่างๆได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยการปฏิบัติเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างวิริยะฉันทาวิริยะด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการฝ่รู้ฝ่ศึกษาฟังบ่อย ศึกษาบ่อยๆแล้วก็จะเกิดฉันทะวิริยะที่จะนำเอาไปปฏิบัติที่จะนําเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้เอาเข้ามาสู่ใจของเราตอนนี้เราสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ถ้าเราไม่ไปพิจารณาต่อเดี๋ยวลืมถ้าเราอยากจะไม่ ห, หลงไ ม, ไม่ลืมก็ต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆแต่จะเอาไปคิดอยู่ได้เรื่อยๆต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจอย่างอื่น ถ้ามีภารกิจอย่างอื่นเดี๋ยวก็ลืมลนะเดี๋ยวออกจากที่นี่ไปต้องไปทํางานลนะก็ไปคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆทําที่ได้ยินตอนนี้เดี๋ยวก็หายไปหมดนะถ้าไม่อยากจะให้หายก็ต้องเป็นแบบนักปฏิบัติพอจากที่นี่ไปก็กลับเข้าสู่ทางจงกรมต่อพิจารณาต่อนั่งสมาธิต่อสลับกันไปอย่างนี้ก็จะไม่ลืมแล้ว ต่อไปก็จะได้ปัญญาที่จะมาทำลายสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปได้การแสดงก็ว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยาถาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสากรลงังเอวเมวาอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปติ อิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิตโตสัเพปเรนโตสังกะปาจันโทปนาราโสย t ธามณิจโตติราโสยะาสัพพิติโยวิวัชานโตสัพพารวโกวินาศตุมาเภปวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวา อาภีวาทานาศสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโธรรมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางลต่อไปนี้ถ้าใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ ก, ก็ควรเรียนถามเจ้าค่ะว่าถ้าถือศีลแปดเจ้าค่ะแต่ต้องทานยาหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีควรปฏิบัติยังไงเจ้าค่ะเกิดตรึกษากับแพทย์ดูว่ารับประทานเวลาอื่นได้ไหมเจ้าค่ะคือรับประทานเวลาก่อนเที่ยงวันได้น้ําจากอาหารเที่ยงได้ไหรือเปล่าเจ้าค่าะเพราะว่าเราต้องถือศีอแลแปดเจ้าค่ะแต่ถ้า มีความจําเป็นที่จะต้องกินเราก็อาจจะต้องหยุดการถือสินแปดไว้ชั่วคราวก่อนหรือว่าอาจจะรับประทานอาหารมือเย็นมือเดียวก็ให้กินท้าวเย็นคก็แบ่งอาหารให้มันเป็นสองส่วนก็แล้วกัน ค, คือขอให้มันปริมาณเท่าเดิม ค, คือสมมติเรากินอาหารอาสองจาน เราก็แบ่งเป็นสองมือมืออาจาย์นอย่าไปกินมือละสองจานจาที่ให้กินอาหารน้อยก็เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนอนเรื่องของความเกียดค้านการรักษาสินแปดนี่ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติธรรมาาการปฏิบัติธรรมก็มักจะมีความง่วงเหงาง่วงเหงาหาน อ, นอนมาเป็นอุปสรรค อเนวอนถ้าถือศีลแปดไม่กินมากกินแค่เที่ยงวันพอใบๆแล้วมันก็จะท้องก็จะว่างแล้วก็จะไม่ง่วงแต่พอตอนเย็นเราไปกินอีกเดี๋ยวมันก็ง่วงต่อฉะนั้นก็กินน้อยๆกินเพื่อพอที่จะรับประทานยาได้ก็แล้วกันหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้อง ไม่ถือข้อนี้ไปชั่วข่าวก่อนเพราะเรายังต้องรักษาร่างกายถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยพิกนพิการเดี๋ยวมันก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีบางทีถ้ามันมีความจำเป็นบังคับจริงๆก็สินก็หกก็อาจจะผัดไปหน่อยหรืออยากทำอย่างที่พูดเนี่ยก็กินได้แต่อย่าไปกินมากเอาส่วนของ อาหารกลางวันมากินในตอนเย็นแทนกินเพื่อกินยาอ้อยาวเอาเอาเลย เ, <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าติดกันคือพระอาจารย์ก็อย่างการปงก่อนตายของพุทธชนนะคะต่างกับการละศักญายิทิตฐิของพระโสดาบันตรงไหนคะ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็ต้องเป็นเป็นบุตุชนก่อนถึงจะปรงพอปรงได้ก็เป็นโสดาบันขึ้นมานี่จะปรงขาดหรือไม่ขาดจะขาดก็ต้องเห็นเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายแล้วเห็นทุกข์ดับไปเพราะความยอมตายเพราะเห็นว่าฝืนความตายไม่ได้เป็นความจริ ง, เ ห, นนงเห็นอน้จจังเห็นอนัตตา ต้องเห็นอริยสัจสี่คบทุกขบวนการเห็นทั้งทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายเห็นทั้งการดับทุกข์ที่เกิดจากการเห็นว่าร่างกายต้องตายไม่มีทางอื่นก็เลยยอมตายยอมปล่อยพอปล่อยปั๊บใจก็จะหายทุกข์เพราะเพราะจะหยุดความอยากไม่ตายได้ก็ต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้เห็นแล้วมันจะไม่ลืมมันจะจาได้จนวันตาย เป็นเรื่องอริยสัจสี่แต่ถ้าปองด้วยวิธีจำยอมเช่นเครื่องบินจะตกก็เอาวะยอมตายอี้ <c oughs> ถ้าเกิดพอเครื่องมันดีขึ้นมาก็โอ๊ยอยากจะอยู่ต่อขึ้นไะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังไม่เห็นกระบวนการของอริยสัจสี่ยังไม่เห็นโทษของความอยากไม่ตายต้องเห็นโทษของความอยากไม่ตายว่ามันขัดกับหลักความจริง คือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นแล้วต้องมีความตาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาต้องเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ไม่ฝืนขบวนการของความของความเป็นจริงพอจะเข้าใจหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ฟังนํกลังคิดเรื่อง อ, อยู่น <c oughs> าะอเดี่ยวเวลาเรา เกิดความกลัวขึ้นมามันก็เป็นทุกข์ละความทุกข์ใจถ้าเราพิจารณาดูว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรอ๋อเพราะเรากลัวตายเราไม่อยากตายทีนี้เราก็พิจารณาความจริงว่าแล้ร่างกายนี้มันเราห้ามมันไม่ให้ตายได้หรือไม่ถ้าเวลานี้มันจะตายขึ้นมาเนี่ยเราหยุดมันได้หรือเปล่า <c oughs> เราก็หยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปกลัวเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าเรา พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราทุกข์ไปทำไมในเมื่อมันจะต้องตายถ้าเรายอมตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่อยากไม่ตายเรายอมตายก็แสดงว่าเราหยุดความอยากไม่ตายได้ด้วยด้วยความเห็นความจริงว่าต้องตายถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวความตายไปตลอดเพราะมันไม่อยากจะทุกข์ความตายไม่เป็นตัวปัญหา ตัวปัญหาก็คือความทุกข์ใจแล้วตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือความกลัวตายความไม่อยากตายนี่ฉะั้นต่อไปก็จะไม่กลัวตายต่อไปก็จะไม่มีความอยากไม่ตายเมื่อถึงเวลาก็พร้อมที่จะให้มันตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ตายก็ไม่เดือดร้อนคือร่างกายร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตาย เหมือนเหมือนของที่เราทุบทิ้งอย่างเนี้ยเหมือนไมโครโฟนตัวนี้เราเอาค้อนมาทุบทิ้งมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกค้อนทุบแต่เจ้าของไมโครโฟนเสียปวดเล่าที่หัวใจเฉพาะไปยึดไปติดกับไมโครโฟนว่าเป็นของเราถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมอย่างรถยนต์นี่รถของเรานี่ใครไปแตะหน่อยได้ไงใจเสียวขึ้นมาแวบเลยรการเอาค้อนไปทุบกระจกนี่จะทุบขึ้นมาทันที แต่ถ้าเป็นรถของคนอื่นนี่ใครจะไปทำอะไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราแขนใดเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเราเป็นของพ่อของแม่ปากออกมาให้เราใช้ชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังไปเหมือนกับรถยนต์ไม่มีใครห้ามมันได้มันจะพังก็ปล่อยมันพังไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่ามันต้องตายแน่ๆมันเป็นอนิจจังจิงใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหรืออย่างหนูตาบอกต้องตายต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ย่อมต้องรับพิจารณาความจริงจนเห็นชัดนะมันต้องรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดจะต้องดับทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่ดับเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเอง อย่างโลกนี้มันก็ต้องดับเหมือนกันมันไม่อยู่ไปอย่างนี้ไปตลอดรางวัลนโลกโลกนี้มันก็จะหายไปมันจะต้องแตกแยกออกไปเพราะพลังที่ดึงดูดมันไว้ให้อยู่นี่มันจะหมดกาลังไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะระเบิดออกไปเองกระจายเป็นเป็นเป็นอะไรไปแล้วมันก็ไปเปลี่ยนรวมตัวเป็นโลกใหม่ขึ้นมาอีก มันมีเกิดมีดับอย่างเงี้ยสลับกันไป <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรามาครอบครองอะไรก็คอยสอนใจว่าของทุกอย่างที่เราครอบครองเอาไวน้นี่มันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเรารู้แล้วล่วงหน้าแล้วเราไม่ฝืนความจริงเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไม่จากกัน แล้วมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็จะจากกันอย่างสงบจากกันอย่างสบายอถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุหรืออะไรสักอย่างมันก็ไม่กลัวตายเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะให้ตายคือมันไม่ใช่เราตายเห็นอย่างนี้ได้ไหมคะก็ต้องไปพิสูจน์ดูนะ ที่จะพิสูจน์ยังไงจะรอให้มันมาหาเราหรือเราไปหามันจะรอให้ความตายมาหาเราก็ต้องรอให้เป็นมะเร็งเป็นอะไรซะก่อนแล้วตอนนั้นก็จะดูว่าใจจะเฉยหรือไม่เฉยถ้าใจเฉยก็แสดงว่าเห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุเนี่ยถ้าไม่เฉยโอ้เป็นตัวเราเราจะตายมันก็จะวุ่นขึ้นมาทันทีอันนั้นเราเป็นจะต้องพิสูจน์ที่ใจว่าใจสงบหรือไม่สงบใจเฉยหรือไม่เฉย ใจเป็นอูเบคขาต้อไม่เป็นอูเบคขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนที่เราต้องมีเหตุการณ์ความจริงปรากฏตอนนี้ยังไม่มีความจริงตอนนี้ร่างกายยังอยู่ในที่ปลอดภัยยังคุยกันได้คุยไงก็คุยกันได้แต่ใครโยนงูเข้ามาในนี้คักตัวดูยิ่งขึ้นกกแล้วว่าแต่งูอะไรตู้แกหล่นลงมาคนนี้นั่นแหละคือการพิสูจน์ต้องมีเหตุการณ์ที่ทัา ถ้าเป็นท้าตายเราถึงจะรู้ว่าเรามีปัญญาทันหรือเปล่าทันที่จะหยุดใจเราให้ไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้ามีปัญญามันก็เฉยๆมันเป็นก้อนธาตุไม่เหตุตัวเราเอะไรจะเกิดก็เกิดไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะตายก็ตายไปไม่อยากจะทุกข์จะไม่ทุกข์กับมันโดยเด็ดขาดอ้าวมา ถามอ่ะมีมีถามต่อยเอาให้เอาให้เคลียร์เลยอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเจอเหตุการณ์ที่ถ้าสาริกาใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ที่หลวงตาเจอตอนที่เจอโรคระบาดเจ้ะอันนั่นก็ส่วนหนึ่งท่านเจอทั้งทุกขเวทนาแล้วก็เจอความตายด้วยทุกขเวทนาก็คือความเจ็บอที่เกิดขึ้นในท้องหลวงปู่มั่นท่านปวดท้องมาก แต่ตอนนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะตายหรือไม่ตายแต่ท่านรู้ว่าท่านเจ็บท้องแล้วท่านก็พยายามหายารับประทานรับประทานยังไงมันก็ไม่หายในที่สุดท่านก็เลยปองว่ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปใช้การภาวนารักษามันไปรักษาใจรักษาใจให้สงบพอท่านพิจารณาแยกเวทนาออกจากใจได้ว่าเป็นขันไม่ได้เป็นใจต่างฝ่ายต่างอยู่กันได้ใจท่านก็สงบ พอใจสงบถอนออกมาเวทนานั้นก็หายไปอาการเจ็บไข้ได้ปวยนั้นก็หายไปอันนั้นอาจจะเป็นอานิสง์ผลพลอยได้ก็ได้ที่ใจสงบใจปล่อยวางที่ที่ที่เป็นปวดท้องขึ้นมานี้ก็อาจจะมีส่วนที่ใจเครียดก็ได้ใจเครียดแล้วก็ไปทําให้ร่างกายหลังสารอะไรต่างๆออกมาทําให้ไปกัดกระเพาะอพอใจสงบใจหายเครียดมันก็หยุดหลัง มันก็มันก็หายเจ็บท้องไปส่วนหลวงตาก็เหมือนกันท่านก็เจอไข้แล้วก็เจอความตายเพราะท่านเห็นว่าคนตายเพราไข้นี้ท่านก็อาจจะพิจารณาทั้งทั้งเวทนาทั้งความตายไปพร้อมๆกันถ้าเราไปพิจารณาความตายอย่างเดียวบางทีเราไม่ได้เจอทุกขเวทนาก็ได้เช่นเรากลัวเรากลัวเสือแล้วก็ไปหาเสืออย่างเงี้ยเราไม่เจ็บแต่เพียงแต่ได้ยินเสียงเสือนี่เราก็ทุกขึ้นมาแล้ว เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาร่างกายต้องตายถ้าเสือมันจะมากัดตายก็ให้มันกัดไปใจเราก็จะปล่อยร่างกายได้ใจเราก็จะสงบแต่นี่เราไม่ได้แก้เรื่องทุกขเวทนาแก้แต่ความกลัวตายถ้าจะแก้ทุกขเวทนาเราก็ต้องนั่งหรือให้เกิดอาการเจ็บขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วเราทำใจให้เฉยให้ได้ไม่ทุกขกับมัน มันไม่ได้ผ่านสองอย่างไปพร้อมกันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามีทุกขเวทนาด้วยมีความตัวได้มีความตายด้วยมันก็ผ่านไปทั้งสองตัวถ้ามีทุกขเวทนาอย่างเดียวมันก็ผ่านแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวถ้ามีความกลัวตายอย่างเดียวมันก็ผ่านแต่ความกลัวตายมาอย่างเดียวมันคนละมันคนละกระทงกันคนละเรื่องกันแต่ต้องแก้ทั้งสองเรื่อง อาจจะแก้ในวาระเดียวกันอาจจะแก้ต่างวาระกันเช่น ค, คนเป็นโรคมะเร็งนี้ขั้นสุดท้ายนี่มันจะทุกขเวทนาด้วยแล้วรู้ได้ว่าจะต้องตายนี้ไม่พ้นแน่ๆรันนี้มันก็จะเจอทั้งสองสองเรื่องพร้อมๆกันการยอมตายมันอยู่สองแบบคือยอมตายเพราะารู้ด้วยยังไงมันก็ต้องตายเอายอมตายแบบภาลียะถ้าตายแบบภาลียะต้องเห็นว่าความยอมตายนี้เป็นมรดับความทุกขใจ ที่ที่ไม่อยากตายคือคือสมุทัยได้ต่านกันต้องเห็นนะต้องเห็นความสัมพันธ์ของทุกสมุทัยนิโรธมากมถึงจะตายแบบพระอริยะได้ถ้าตายเพราะจนมุมจนตรองไม่มีทางออกอันนี้ก็จะจะยังจะกลัวตายในภพหน้าชาติหน้าใหม่เวลามีร่างกายใหม่มันก็ยังจะกลัวตายอยู่แต่มันจะปรงก็เพราะเพราะมันไม่มีทางออกทางเลือกเท่านั้นเอง ถ้ามีทางเลือกมันก็จะไม่ยอมตายอยู่ดีเพราะนั้นพอถึงเวลานั้นยอมตายแล้วเนี่ยแสดงว่าจิตมันต้องรวมลงถึงอัปปนาเลยใชเจ้าจ๊อน่าน่าจะรวมลงถ้ามันปล่อยเพียงแต่มันจะเป็นมันจะรวมในลักษณะของสมาธิไม่ใช่เป็นลั ก, ลกษณะของปัญญาไม่ได้เป็นการบรรลุ ธ, ธรรมเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นอริยสัจสี่ เ, เลวลาเห็นอริยสัจสี่จิตมันก็รวมลงเหมือนกัน อรวมแต่มันรวมแบบที่ว่ามันรวมด้วยปัญญารวมด้วยปัญญามันไม่รวมด้วยเพราะมันจนต่อมันรวมเพราะมันมันไม่ต้องการที่จะทุกข์กับร่างกายนี้ต่อไปมันจะไม่มีความอยากที่จะไม่ตายต่อไปฉันแน่ใว่าผู้ปฏิบัติต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมบ๊ะอ่าก็สารทีก่อก่อก็จะแน่ใจด้ตัวเองว่ายังไงกูกลัวตายแล้วใช่ แต่ไปคุยกับผู้ที่ผ่านมาแล้วเพื่อเป็นการ เ, าเป็นการเช็คข้อมูลก็ได้เช่นไปคุยกับครูบาอาจารย์ผมทํำนี้ถูกหรือเปล่าครูบาอาจารย์นั้นก็จะบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรามั่นใจไม่คุยก็ได้เพราะถ้าเราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราเข้าใจหลักอริยาาสัจสี่เราจงต้องใชอริยสัจสีในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ที่ยังต้องต้องทําต่อไปเรื่องการมาราคะมันก็เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาแบบก็ต้องใช้อสุภามาดับอสุภาก็เป็นปัญญาพอเห็นอสุภามันก็ดับการมาราคะได้ก็ดับความทุกข์ใจได้เช่นเดียวกับขั้นพระอรหันต์ก็เหมือนกันรูปราคะอรูปราคะมันก็เหมือนกันก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้มัน ต้องใช้แต่ลรักว่ามันสิ่งที่เราไปติดอยู่นั้นมันไม่เที่ยงมันมีใชมีเจริญมีเสื่อมเราห้ามมันไม่ได้เท่นชานี้มีมีเจริญ <regardez> มีเสื่อมรูปฌานก็มีเจริญมีเสื่อมอารูปฌานก็มีเจริญมีเสื่อมเวลาเราไปติดรูปฌานเวลามันเสื่อมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราอยากจะให้มันไม่เสื่อมเราก็ต้องกลับเข้าไปทํารูปฌานใหม่เจริญรูปฌานใหม่มันก็จะขึ้นกลงลงทุกข์กับสุขบำบันไปอย่างนี้ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ต้องหาความสุขจรูปฌปานก็ได้มันก็ไม่ก็จะไม่มีความทุกข์กับ ม, ม, มันก็จะได้ความความสงบอีกรูปแบบได้อุเบกขา่าว่ามามวันนี้ทางบ้านคงไม่ได้ถายกันมังวันนี้เจียวสักขา่า <c oughs> พูดกนะับพระอาจารย์ค่ะ ตอนที่โยมมีคําถามหนึ่งว่าตอนที่โยมปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งมันรวมลมห้ใจมันหายไปหมดแล้วก็ตัวก็คนลุกเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยโอยมันมีความสุขมันดีมากเลยฮะแล้วก็อยากจะได้ตรงนั้นอีกอยากจะนั่งไปเลอยากจะได้ตรงนั้นอีกเ อ, อแต่ก็แต่ก็ไม่เจออีกอยากทราบว่าตรงนั้นคืออะไรฮะแล้วก็ทํำไม่จะจะได้ตรงนั้นอีก น็นั่นก็คือความสงบไงที่เรียกว่าจิตรวมเนยจิตเป็นสมาธิก็ต้องทําแบบที่ได้นั่งแบบไหนทําแบบไหนก็ต้องกลับมาทําแบบนั้นใหม่ก็สมาธิไงจิตรวมเลยจิตสงบเอจิตสงบจิตรวมจิตปล่อยวางร่างกายปล่อยวางลมหายใจอแต่เพียงเดียวเดียวเรียกว่าคันนิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็เป็นอัปปนาสมาธิ เราต้องพัฒนาจากคณนนิกะให้เป็นอัปปนากลับมาก็ต้องมาเริ่มเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธดึงจิตไม่ให้ไปคิดตวงแต่งดึงเรื่องราวต่างๆพอมีเวลาว่างก็นั่งเมื่อไหร่ได้ก็นั่งเลยนั่งไปเรื่อยๆนั่งมันบ่อยๆยิ่งนั่งได้บ่อยยิ่งนั่งได้นานเท่าไหร่ต่อไปมันก็จะชำนานมันก็จะได้ตลอดเวลาต่อไปเวลานั่งเวลาใดก็ได้ กาค่ะนันสกาค่ะอีโยมไปหัดท่องอายังโขเมกากโยนะคะแล้วก็แยกเป็นอวัยวะเป็นพวงๆแล้วก็ไปไปเปิดหาดูไอ้ที่เขาชำระสกอนาโตมี่หลันะค ะ, ะแล้วตอนนั้นประกอบกับที่ได้เรียนถามพระอาจารย์เรื่องถิติพูตังแล้วยมก็มีความมีความเข้าใจตอนนั้น เห็นว่าร่างกายมันไม่มีเราแล้วก็เราก็คือตัวตัวจิตแท้จิตเดิมที่มีอวิชชาอยู่แล้วมันก็ความรู้สึกแล้วมันก็หายไปแล้วค่ะก<ำ>็ท<ำ>ําใหม่เลยพิจารณาสติไปเรื่อยๆหรือพิจารณาปัญญาไปเืลยเดี๋ยวจิตปล่อยมันก็รวมเข้าไปทิฏฐิภูตังอยู่แล้วจิตรวมจิตสงบเนี่ยเลยแต่ตอนนั้นโยมไม่ได้อยู่ในสมาธิคือโยมก็เดินไปเดินมนาโ ย, <ม>ยมก็เดินไปมัน ถ้าจะทําทให้มันเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนกับเป็นระบบมันต้องเจริญสติแล้วก็เข้าสมาธิไปแต่มันจะเข้าได้บางเวลาโดยที่เราไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้ามีปัจจัยที่พร้อมที่จะทําทให้มันปล่อยแล้วมันจะรวมมันก็รวมได้แต่มันเป็นกรณียกเว้นไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปกรณีทั่วไปต้องเกิดจากการนั่งสมาธิ ก็น้องพยายามเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆแล้วมันจะเข้าไปด้วยสองวิธีเข้าไปด้วยสติหรือเข้าไปด้วยปัญญาถ้าเราพิจารณาปัญญาปล่อยร่างกายได้มันก็จะเข้าไปได้ปล่อยเวทนาได้มันก็จะเข้าไปได้ค่ับทางนี้มีปัญหาอยากจะถามธรรมสกันเจ้าค่ะท่านะอาจารย์อ่า แต่ท <laughs> ่อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายสั้นๆคําว so ่าพระโสดาบันกก็ฟุ่มาต้องครึ่งเช้ามาพรเอรญโยมพุ่งมาช่วยสุดท้ายนี่เองมาสายเจ้าค่ะขอทานโทษเจ้าค่ะพระโสดาบันต้องละสักกายทิฏฐิให้ได้สักกายทิฏฐิก็คือความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็ต้องแยกแยะร่างกายให้เห็นชัดว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสอง ผมขนเล่นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการเหล่านี้ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยเราไปยึดไปติดไปหลงเองว่าเป็นตัวเราของเรานล้พิจารณาอยู่ บ, บ่อยๆเราพอถึงเวลาที่ร่างกายจะตายจากเราไปเราก็จะได้ปล่อยวางมันได้เราจะรู้ว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตอนที่เราจะต้องถูกบังคับให้ปล่อยถ้าเราปล่อยโดยที่เราถ้าเราปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราปล่อยถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อย แล้วเราต้องเห็นว่าความทุกข์ของเราเก็จากความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไม่ยอมให้จากเราไปแล้วเราจะเห็นว่าการดับของความทุกข์เกิดจากการที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายจะต้องจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้เราต้องเห็นอราิยสัจสีด้วยเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากในร่างกายถึงจะบรรลุได้ก็สแสดงว่าจะเน้นเกี่ยวกับ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างเดียวเหรอฮะถ้าเกิดพูดถึงการประสบลาบันก็เพราะเขาติดอยู่ตรงที่ร่างกายนี้ค่ะติดที่มองไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเจ้าค่ะต้องยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายเจ้าค่ะวจะไม่ทุกกับร่างกายต่อไปค่แค่ในตอนนี้ หมดแล้วนะเวลางนก็บอกเพื่อนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตว่ารอที่หน้าก็แล้วกันเพราเวลามันหมดพอดีอ๋อถ้าบอกว่าพิ่งก็มาอาจารย์โยกชุดเลยพอตั้งแตนั้นมาต้องลนะครับก็ยัง จะได้ัทกนะคะท่านกมเราอห้ามได้อยู่ไกลแต่เราสอที่บ้าเห็จะได้งก็นข่วนากเที่ว่าใจใจใจใจเ้าไปป็นข่าวชิ้นที่ดีก็เชิญติดตามต่อไปทุกสาวประเทศก็จะมาแสดงธรรมแล้วเดี๋ยวแต่คืนนี้ก็จะมีการโหลดขึ้นไป สองสามทุ่มสามสี่ทุ่มก็จะเสร็จแล้วจะเข้ายู u b e ได้อ่าังเรืก็คิดว่าวันนี้สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ